ก็คือว่าจะไงได้เนาะมือครับแจงมากๆนั่งกันเนาะขันท่ากออกไปมากๆกับเหล่ายองประเทวราชกระโปรงเจ้าครับมันช่ใครแด้ระเทวราดกับเป็นลูกพระโปรงเจ้าครับเป็นเป็นพี่ชายน้าพี่พ่างน้าพีนพ่างผลเมียพ่อเก่ากระครับสุภาพุตระกับเปนพระเทวกระโปรงเจ้าครับเป็นพ่อน้าพี่พ้า ทำอันนั้นแล้วเมื่อปัญหาเนี่ย ป, ปัญหาจะเป็ียนได้ก็จะต้เปลี่ย <c oughs> น, น, นไปได้กั่ะนั่ น, นงไงไหนีน่นนปรดมเกพระเจ้าอาศัตว์และสัตว์ตัวข้าพ่ออะข้าพระเจ้าข้าพ่อเพือ่อจะเป็นทบรลบนาข้าแค้น ไม่ทำไม่ทำอะไรเขาว่าทำไนเขาก็ไม่ไปเส็จมันก็ไม่ไปเส็จแต่ก็เร า, าสู้เพื่อว่าอย่างนี้นะแปะคนบรรทุกถ่ายถ่ายแน่นแวนบอกว่าลืมถ่ายตายยังไดต้องยอมตายดีกว่าที่ให้เขาไปถายรูปเองไปถายลูปผูกข้อมือกันเลยแล้วก็ถอดผ้ารือออกแล้วก็ถายรูกยิ้เลยบอกว่าโดนอี้เป็นผมผมยอมตายดีกว่าจิ้ให้ผมตายดีกว่า เาเป็นผัดเขาเป็นผัดเขาไม่เชื่อเลยอนะ่ะเป็นแก้วที่่ีไม่เชื่อเลยเห็นแล้วท่านอก่าานลึตงมันลึกกะไดแล้วลึกกระไดขึ้นสวกระไดลงนรกกระไดอะไรได้ผมไม่เชื่อเลยผมว่าโกหกคนทั้งโลกไม่ใหญ่โกหคนไทยนะโกต่างประเทศด้วยัฐอเมริกายุโรปไม่หมดแล้วมีคนตาเรื่องเขารวมบทาทอะน นานแล้วเราก็หลอกคุว่าเยอะขึ้นแต่ fil. ีอสไ่หวลอกไอวัตถุยผมว่าเทวทัศน์ที่แม่เดียวหลอกไายวัตถุอีกเทวทัดมาเกิดจะไม่พอเทวทัศ์มาเกิดเปลียนเรามนุษย์เทวทัศน์ยังไม่ได้มาอีกด้วยเทวทัศน์ไม่ไดมาเกเปรตนะับเปรตมาหลอกมนุษย์เขาเป็นเรื่องหนึ่งกับเขาเป็นเปรตเทวทัศน์ยัมได้มาในเร่อหะบาเปรต เราบาดเจ็บก็ฝูงหายหนึ่งเมื่อวานเราเจ็บกูย่างลงมาฝูงหายหนึ่งแล้วก็พลังโมไซโมไซล่องเข่าโม่หรืองามยืดเ้นหงายขาอือยืดเลยตวชี้ขวาเนี่ยตัเป็นเนี่ยตัวชี้ผมหนึ่งชี้ก็เป็นพลังที่แบบ โกโนผมใส่กบข่ะเราเอาข่าวก็เป็นคนใจส่ะอีแ บ, อ แ, แบบเขื่องมาเป็นนานาจิตตางนานาธรรมังนานาศาสนาพระคนศาสนาความเห็นของทำผู้ใดอยู่ในระดับใดก็จับกลุ่มกันก็เลยเป็นศาสนาเป้นก็ราะเธาไม่มีบุญมมีบาปมันก็เป็นศาสนาอีกเหมือนกัน เรียกว่าสากลศาสนามันเห็นทุกเทีนบ่นี่นนะถ้ามันผ่าหมูมาแล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งก่มหนึ่งไปอีกนานาสังวานานานิจัยนานาศาส น, นานานาจิตตังนานาธรรมน์นานาความเห็นนานาพักนานาพวกศาสนามันก็เกิดขึ้นกับพักกับพวกเมื่อนิยมกันอันไหนเป็นส่วนนาจะกลุ่มกันลงกันลงเอ่ยกันอันนั้นก็เป็นศ า, า, า, าสนาใช่ไหมศาสนาเป็นธรกลาง ศาสนาพุทธบางที่ก็เอาพุทธมาอ้างเฉยๆแต่ว่าความมาพุทธไปมันมันเหมือนพุทธกัดนะทุกความเห็นความเห็นท่างกวงในโลกใครอยู่ในระดับใดก็จับกลุ่ม ก, กันก็เคยเป็นศาสนาใช่ไหมเมื่อความเห็นลงเอยกันเขาเรียกว่าศาสนาแต่ว่าลงเอยในทางถูกทางผิดใครจะเป็นผู้ตัดชิ้นให้ก็ผลของกรรมผู้ตัดชินให้ออก กรรมและผลของกรรมต้องตัดสินให้จะศาสนาใดๆก็ตามกรรมแล้ผลของกรรมต้องตามเรียบวุดจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันเป็นปัญหากําลังอย่างให้ผลในภพนี้ในภพบหน้าให้ผลในภพสุกสืบให้ผลเป็นลําดับให้ผลตามกิจธุระที่ทําให้ผลสําเร็จแล้วให้ผลสําเร็จแล้วคือเอาหสิกรรมกรรมของพระอรหันต์ให้ผลสาเร็จแล้วเป็นอาหัิกรรม ต่ำกว่านั้นลงมานั่นเป็นเพื่อนหัวตกรรมกรตั้ตากรรมกรรมสักว่าธรรมแปลว่าไม่มีเจตนาะข้าข้ากับคนบ้ายิงสอนไม่รู้จะไปถูกที่ไหนแตเน่เป็นเป็นแต่สักว่าธรรมก็เป็นกรรมเหมือนกันเพราะกรรมไม่มีเจตนากตั้ตากรรมกรรมสักว่าธรรมเพราะหุวลกรรมกรรมกรรมชินทําจนชินเช่ทนทําบาปก็ทําจนชินเช่ทนทําบุญก็ทําจนชนินเรียกเอาของหุวลกรรมเหมือนกัน ในทางดีทางพุทธศาสนาในทางเป็นกุศลคือเพียงพราะนาคามีทฉะนั้นในส่วนกุศลกรรมในส่วนอ ก, กุศลกรรมมหาวิีินรกหรือโลกันจะนรกสุดทธานั้นส่วนพระรหัตมักรหัตนผลไม่จับเป็นกรรมเจะได้วมมักแปลว่าเหตุแปลว่าพืชผลจะผลของเหตุของพืช หรือเหตุพืชกรรมเพราะต้องเหตุเต้องพืชเร้องกรรมมันเขามาอันเพียวกันลอนัคตะมักกับส่วนอนัคตผลผลเป็นผลขัดตอนไม่เชื่อมมาจากเหตุผลทดาปฏิมักเทดาปฏิผลเชื่อมมาจากเหตุสัพพายมักสัพคผลเชื่อมาจากเหตุเหมือนกันอนาคมักอนาคผลก็เชื่อมมาจากเหตุเหมือนกันอัตะมักอัตะผลไม่เชื่อมมาจากเหตุมากก็พายไย เข้าใมากเนาคำว่าเพียบวมาคามูเบตัวไหนนี่ตัวไหนนี่ตัวไหนนีมาเดดมาม้าเข้าใครฮะฮะวอนนเก็มาแล้วี่ตั้งแล้วไหนั้งแะซื้องไหนได้นี่ ปสองหรามตอนหนึ่งนานสกุลช่วยังไงช่วยช่วยของคุณหนูช่วยยังไงโอ้ยี่พวกมาไล่ไปกไม่ได้บอกอย่างนี้บผมล้างแกเพื่อนไปมีคข้นซ่ามาว่าคนเสียโอ้ยไง มาจากบรนดาเขาอะไรโอ้ององององเอิบมาไหนมาต้องเรองเดียว เพิ่งวดเสร็จใหม่รอใชค่ะไม่ต้องคุยประกาศจะเว็นระมันงอะไรนะพระใจหมกมาแรว่าไม่ใช่เราเคยไปฟังเพลงแล้วลูกองอะไรก็อยู่ในามใจหมกใจมั่อดีตาอดีตว่ามาแล้วมาเยี่ยมแล้วรงเอิบป่ะพระเอิบป่ะที่พวกไปอยู่วันนี้ยอในวันนี้เขาพาพาพแม่ไปน่ะอือ นัคือหมอช่วยค่ะคุณหมอเป็นไงก็ไปงไม่ได้วันนี้เรามีเราของนะคะค <ๆ S 2> ที่้องยกทีมไปเชียร์ที่ๆๆๆๆมิเตลุ่งอิตาลีนีเราก็ยังคิปีอ่ะมันนี่โผลแทถึงโอ้โหาวมันนี้ลูกเอาตอนนี้เรื่งองลูกโผล่ไปออกนะเขาพูดถึงเพราะวันพรุ่งนี้วันอาจารย์จบวิชเขาไปออกทำไม แล้วต้วองัอูมหาได้ยินอายสั้นเป็นนแล้วก็ลูกก็ยังไม่ได้อ่านจบเดิแล้ว่อวันจันทร์เาเาขอเล่ไเลยนั่นทำนักันจันปรปัญญาตัตวแสบทเจกะตอม่ เ, เ, เร่ดวแคไม่นเออ น, น่นด้วยอานาจมัดสสิกัสินสมาธิปัญญารวมคนในขณะเดียวกัน ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังในชั้นจิตวิญญาณในปัจจุบันจิตปัจจุบันทำนี้ไม่ใช่เดินทางถึงปายทางแล้วเป็นเพีงงยงใช้คำว่าโ ด, นาดยดนุูกพันเฉยๆท่านพูดถึงพอรักน้ตะโขนแล้วที่ได้ติดข้องอยู่ในอดีตอนาคต่ปัจจุบันอากติดถึงในใดนหนึ่งในปัจจุบันวิญญาณปฏิเสธิ พร้มมีเกิดมีใจอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันธรรมนั่นเองความทะเยอทยานในปัจจุบันปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยและปัญหาอันละเอียดมากเป็ น, ป น, นสุสานภาพชาติชาติรามอรณะอันละเอียดอยู่ในตัวไม่จำต้องใส่ใจก็ได้สิงที่ทําให้อยู่ แอ บ, บฉลาดแงคงขึ้นขึ้นหน้าลุงปุระทุกชา ท, ก ท, ท, กทุ้งเห็ดชนทีซึ่งติดอยู่ในปัิบันจนเริมตัวสำคัญคนว่าคนคนใปรโดยชืิ น, นแล้ววิสันาว่าเพราะทังทัญตนเป็นปัิบันสาคัญปัจตุบันมากเป็นตนในสองแง่นี้แล้วแตแกแยกออกไปอีกเป็นอีกสองแง่รวมเป็นสี่ สำคัญว่าผู้อื่นเป็นปัจจุบันสำคัญว่าปัจจุบันเป็นผู้อื่นเมื่อสำคัญว่าตนมีอยู่ในปัจจุบันสำคัญว่าปัจจุบันมีอยู่ในตนแล้วจะไม่หลงประยุกต์หรืออดีตอนาคตว่าเป็นตัวตนเราเอาสัดบุคคล น, นั้นเป็นไม่มีเลยเป็นเพียงศติดทําญาไม่ค่าแล้วก็ขเข้าใจผิดทิดตัวทิศว่าละสายแล้วเมื่ออดีตอนาคต การสําคัญเกินต้องเป็นรากเน่าของตัวโดยตรงๆแล้วจะปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอใต้เลยอันดีอนาคตตะกุกตะสักค้ายป่าตัวเดียวแต่หัวแร่หานไม่กินเพราะไม่อร่อยแต่เป็นยาเสีพจิดมาปรุงปุงของมันที่ตรงการตัวแล้วจะยึดแล้วจะยืนยันว่าเขาไม่กินฝ่าตัวนั้นหรอกทั้งนี้ก็ไม่ต้องตกอยู่แบบฉลาด แต่แกนกลงขึ้นตึ้นหนาท่านผู้ทรงคุณปัญญากลมไพลชั้นแรกเกลเอ็งรู้ได้ไม่ต้องดังดินบนบินบนเหมือนนกและปลาไหนก็รู้ได้ไม่ค่อยผิดปัญญาต้องสป็นนายหน้าของธรรมุประการทั้งที่เป็นโลคียะและโลพุรต์ทางโรคียะอยากหยากที่เป็นนายหมอดนายพักนายพวกนายปันนายปนต้น ต้องเอาผู้ฉลาดเป็นหัวหน้าทางคุณธรรมแพทย์านารวบบัญญิตบัญชีกาปริยาปริปรินายิยกาบัณฑิตเท่านั้นเควรเป็นหัวหน้าของชายวายกาดูใจผู้ประกอบด้วยปัญญานติกพาลาปริยาิยกาคนทานมิใช่ควรเป็นหัวหน้าใจที่เป็นพานไม่ควรเป็นหัวหน้าของชายวายา มีน้อมเข้ามาในฝ่ายปฏิบัติธรรมนักปรามัดเพื่อให้รู้ชัดปฏิบัติสะดวกเป็นโอปะนาริโกไม่สงสัยนี้ครับโดยเปรียบธรรมเนียมกับธรรมนัยทั้นคิดธรรมเนียมนี้ว่าดุดโดยย่อๆแบ่งออกเป็นเป็นสองเป็นโลกิยัตธรรมเนียนี้เป็นโล ก, กุระธรรมเนียมสัมมา รัมพุทธะธ ร, รรมเนียมปัิเจกพุทธธรรมเนียมสาวธรรมเนียมสาวิกาธรรมเนียมโรดาปติมรโรดาปฏิผลธรรมเนียมปัจจิตาธรรมิมร์ัจจาธรรมิผลธรรมเนียมอนาครมิมรอนาธรรมิผลธรรมเนียมอระหันธรริรอระหันผลธรรมเนียมจะธรรมเนียมในใดก็มีธรรมเนียประมาณขอบเขตไม่เลยเถิดเพราะอยู่ระดับ ทำที่ไหนเป็นขั้นตอนของสูงนั้นไม่ได้เอากิด็สเป็นนายหน้านายรถของทำเนงเพราะเข้าสู่โลถโลกรรรุตระทำเนียมแล้วโลกียะทำเนียม น, นั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้หมูมากลาด ไ, ไปทางทำเนียมติดก็มีหมูมากราดไปทางทำเนียมถูกก็มีหมูน้อยลาดไปทางทำเนียมถุกก็มีหมูน้อยลาดไปทางทำเนียมติดก็มี เพาทางโลกียวิเศษเลือกเป็นทางด้านในมาเป็นอาจารย์มังไม่สังขต ย, ยังบทข้องทางเหตุผลอยู่บางเหตุช่วยแก้บรรยัติเอาดื้อว่าเหตุดีก็มีเชเหตุแห่งอาบายุคุกประเทศเป็นต้นเหตุแห่งคิดหายต้งโตงไม่มีสาดุทนเลยในทางทางดานในและบรรยัติเอาดื้อว่าเป็นทางเจริญแห่งโลกะทัศ ก็ไม่จิดแตกจับปันจับว่าคลจับเปนดอกบัวเพื่อมือเข้าไปจับมือเขขาดแล้วก็ไม่ได้ตัวเลยว่ามือขเพราะเข้าใจผิดว่ากลจับเปนดอกตัวโลคิยะอุิสัยกอมเป็นทางดีอ่างนี้เป็นเสื่มากการทางดีทาชั่วไม่ใช่ถึงทีรักสมไมฉะนั้นก็กลมสะอาดเป็นลงเป็นงนแรงแทรารมีในสงสารอเนกปริยาย เพื่อผล น, นื้อสัตออกจากความเข้าใจิดที่เป็นผิดเปชอบเพื่อให้เห็นชอบเป็ชอบัเกตตางกับผลด้วยรงพร้เมตตาอันหาประมาณนี้ได้เลยทิ้งฉะนั้นกหรือได้ผลได้เท่ากับเขาโผเท่านั้นส่วนคน้ผลไม่ได้มอบไว้ให้พักกลมาทำัวเก้ยในอนาคตอไปตากรรมกและผลของกำลสงจากแต่ละนายใน กยุบและสมัยแต่ขอเน้นย้ำว่าถ้าทําดีไม่ล้าสมัยในทางดีถ้าทําชั่วก็ไม่ล้าสมัยในทางชั่วถ้าพ้นจากเกลตโดยที่เกินแล้วก็ไม่ล้าสมัยจัดท่านขอเลยไม่ล้าสมัยท่านเข้าสู่อนุปาทิเสจะในทางด้วยการไม่ล้าสมัยการไม่ล้าสมัยขึ้นอยู่กับเหนผลทางดีและทางชั่วที่สร้างขึ้นขอ หันย้อนคืนมาพาโรคเกตนาของผู้ปฏิบัติเท่าทุกข์เกจณาย่นลงมีสองเกตนาคือเกตนาโลภียะหนึ่งเกตนาโลภสุจนะหนึ่งเกตนาดีความประสงดีความต้องสารก็ดีความหมายก็ดีความบริฐานก็ดีก็มีความหมายแห่งใจควา ม, ม, าาวา ม, มา ใ, ใา ม, ม่รู้แคอทั้งเดียวกันจะผิดกันบ้านประแจกต้องการชา้าหรือเร็วเท่านี้และ เจตนาโล ก, กุตระวะก็แจกออกไปหลายประเทศเจตนาพุทธภูมิออกปากบอกออกปากบ้านไม่ออกปากบ้านได้รับรับทรัรพยากร บ, บ้านยังไม่ได้รับบ้านตามเหตุผมที่ได้สร้างมาน้อยและมากในสุริยชาติเป็นสัจกาที่กัด บ, บ, บ้านปัญญาที่กัด บ, บ้านกิริยาที่กัด บ, บ้านาการเจตนาที่ชอบของตน พุทธ ภ, ภูมิจําพวกที่ดได้ครับรัฐทรัพยากรแล้วจึงเป็นการแน่นอนได้ไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงทางอดทนึ่ทางที่พูดจะค้นทุกในปัจจุบันท่ำกว่านั้นลงมาในพวกปารกในพวกปารธนาพุทธภูมินี้สามารถเปลี่ยนแปลเงปลเจตนาของตนไปทางอื่นได้เช่นเจตนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นปัจฏิกูมิหรือ สากตรภูมิก็อาจเป็นได้ไม่แน่นอนได้เลยจำพวกที่ศาสนาพักตร์เกศภูมิปัญญาทิกัณสปัญาทิกัณฐุริญญาทิกัณฐ์เต่านี้มีมากมายนักได้รับทรัพยากรแล้วก็มีไม่ทันได้รับทรัขยากรก็มีตามความยิ่งใหญ่ก็ได้องทุนรงแรงที่แสดงมา ขอสรุปสิ่งเกิดมาคนทุกในปัจจุบันในชาติต้องเคลื่นตนด้วยตนเองปลุกตนด้วยตนเองอยู่ในข้อวัตถุิบัติไม่ปีนเกี่ยวเรื่องลาบยศตแชนะเสริมสุดภายนอกหรือความเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมชนะเสริมเดินยอดเสื่อมจุดจริงอานิคภายนอกก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นาานามก่อเจต น, น, น, นาที่ตั้งไว้ไม่เสียดายเป็นใหญ่ ก็เหมนมดเลมนะคือเอาอไปมดแอลยหรไม่ัหบคนะเป็นไม่ยไเปนมดยนี่มตัวยนก็เห็นหีวทุ่เล็มครับมดไทน่มเมมันกเหนลเมไหนี่เมนี่นี่เร็มนเร็มไหมเลย่วะแน่นวะับมก็เห็นดเห็นสบายนิสัยก็จะไ เยอด้วยเดียวมีนีมีอยู่อยู่ถ้าพลามาอยู่เร้่องนั่นก็อยู่เรื่นี่ต้องใส่เองเขียนแล้วในแต่เขียนแล้วไม่อะไรว่าจะเรียนจิตเจตราและปัญหาขึ้นมาสองอย่ากมาใหม่ท่านทั้งพวกนั้นสร้างบารมีเต็มตื้นมาแล้วและบางท่านก็คนไปแล้วจากดวงโดยทิ้งเชิงบางท่านก็โชคดีต่อพายแจวอยู่ภายในด้านจิตใจด้วยปิดยาไม่ได้ไายใจไม่ได้นอนใจแม่กายจะนอนก็ตามยังไม่หลับเคียงอะไรก็มี สามาธิและพัฒนากร ม, มีกันสม่ตเอาิสติปัญญาเป็นคนแก่อยู่ในมือสติมือปัญญาเก<อ>ิดประตูข้ามหลงอยู่ในตัวแล้วมากี่คนเด็กนั้งมักใจมักสติมักปัญญาร่วมคนเข้าเป็นเดียวอันเดียวกันใม่มีอันใดก่อนอานใด ห, หลังผลจิตผลใจผลสติผลปัญญาก็รวมคนกันเพ้าะในขณะเดียวกันคนไม่ฉลาดก็ไม่เห็นหดอกลูกมีแต่เพลิน เมื่อมาแรงเมาบินเข้าไฟตะเพียงผู้เห็นจะทุกข์ก็คือคนฉลาดผูนั้นจะเบื่อหายในทุกข์เมื่อใดเห็นสังขารในเมติยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นเมื่อไดในทุกข์นั่นแหละทางเห่อวิสุทธิชิสุทธิสมาธิสุทธิปัญญาสุทธิเพราะองรู้ในทุกข์ปัญญาชิสุทสุทธิก็คือตั้งมั่น ตัดสีลงเลยตั้งมัน่นเพราะว่าสีสีรังสีรังมันตรลอลรีความเห็นแน่นเหมือนเหมือนสีลาความเห็นในทุกแน่นสมาธิก่อนตั้งมัน่นพิจาณาในทุกถุกเหมือนกันแล้วอยว่างโกวัตในทุกเท่านั้นถ้าออกมาเป็นทุกเครื่องป ฏ, ป, ฏปฏิบัติเพื่อคนทุกก็ไม่มีถ้าทำอะไมรก็ไม่เบื่อหน่าทุกบุกคคลทุกจะเบื่อหน่าทุก ได้ก็พระพิจาณทุกเปนกน็นอารมณ์เราก็ลมหายใจเขาออกดีๆน่าจะละอาในว่าตัฏสงสารจะเห็นแบบชัดเห็นแบบเย็นๆไม่ใช่ว่าเห็นทุกข์น่าจะประคาตัวตา่างไม่ใช่ค่าความหลงของตนความหลงของตนที่สําคัญว่าสุดรนรกว่าค่าความหลงของตนที่สําคัญว่าสุดนี่ว่าข้ามความหลงของตนที่สําคัญว่าสุดน่าจะรู้ตามจริง ทุก็จะวางตามเป็นจริงของทุกจะรู้ตามเป็นจริงจะไม่ยืนยันว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกทุกก็มอบมาให้โลกสักมอบมาให้ทั้งขางสมสักแลมาอยู่ในทุกเพราะเราไม่มีใช่แล้วมีแต่กองทุกนในวัฏา์ทั้งสามทั้งผู้อื่นก็ไม่มีมีแต่กองทุกนในวัฏฏ์ทั้งสามเธอทั้งหลายจงพิจารณาโลกเป็นกองศูอนย์ควาะอัตาความเจ็งนงความเห็นวาตนมาเสียความเห็นว่าตนเสีย เหตุใดจึงไม่ยืนยันนักเนล่ก็เพราะมีแต่ทุกข์จะยืนยันนักเปล่าทำทำยังไงตาของจะมองร่นงกายกันโรคข้างหน้าข้างก็มีแต่กองทุกข์จะยืนยันนักเปลาเป็นเขาเป็นผาเป็นโมกุลเหมือนที่เราเคยยืนยันมาก็ยืนยันไม่กล้าจะยืนยันใช่ไหมจำก็ไม่แน่คอยวางนะถึงจะหลงก็ไม่หลงมากมีที่จะปล่อยจะวางได้อยู่ในตัวเออตาไม่กิงเสียงไหมเสียงนั้นมันวางเองมัน ไม่ไําท่ากิริยาวางฉันลืมตาเขาเคลื่นหนาแนีว่ไม่ทาท่าจะไปขับไล่ความมืดนี้มันหนีเองมันเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกก็คืออ น, นิจจังนั่นเองอนัตตาก็คือทุกนั่นเองอยู่เป้าอันเดียวกันไม่ใช่คนละเป้าเป้าอันเดียวกันเป็นเพียงกิริยาที่เห็นเฉยๆเห็นทุกเห็นในขนาดชั้นกลาเห็นอนิจจังเห็นชั้นต้น เห็นอะไรจังนเลือกลงไปอีกก็เห็นทุกเรื่อกลงไปอีกก็ไม่ใช่ตัวตนก็อันเดียวนัว่นแหละพระเจ้าอันเนียคือเป้าลูกเป่านามดินน้ำไฟลมอยู่ใต้อานาจกองทุกข์อนุจังอันเดียวกันในทันางทั้งยาทังข่าวทั้งาติก็อันเดียวกันไม่มีมากที่เราบัญญัติให้มีมากก็เพราะเราลืมอันนี้เราไม่เอาอันนี้ไปตัดสินมันก็มีมากในใจลวกร่วน ถ้าอดีตถ้ามาเขาภาควันทั้งที่มีวิญญาณแล้วไม่มีวิญญาณก็ตามเขาจะทุกข์ขนาดนั้นเธอทั้งหลายต้พิจารณาให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายเนอพิจารณาอยู่บ่อยๆเนอะถ้าพิจารณาอยู่บ่อยๆเธอทั้งหลายจะไม่หลงโลกเนอเธอทั้งหลายจิดใจเธอทั้งหลายจะเบื่องานคลายเมาร์่นาะจะงสงสารเนอะเบียเย็นๆเนอะคาบริกรรมนะความหลงของเธอทั้งหลายจะตั้งอยู่ไม่ได้เนอเธอทั้งหลายเข้าใจผิดอยู่มีอยู่สี่ข้อ สิ่งที่ไม่สวยไมงามเธอทั้งหลายถือว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ้มอยู่ในรอบเต็มไปด้วยของาามัจจารนประการต่า ง, ง, างาส là, าิ่งที่ไม่ที่อย่างเธอทั้งหลายสําคัญเีาเที่ยงก็คือหนังหุ้มอยู่เในรอบสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายมีความหมายว่ามันมันเป็นสุขก็คือหนังหุ้มอยู่ในรอบสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเธอทั้งหลายยืนยันว่าเป็นตัวตนก็คือหนังหุ้มอยู่เในรอบ มเมื่อเธอทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงอันนี้แล้วอันหนึ่งอันอื่นเก็รู้ตามเป็นจริงหมดม่ตองสงสัยเมื่อเธอทา้งหลายไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นสักข้องรู้เป็นสักข้อเห็นตามเป็นจริงของความรู้เป็นตามเป็นจริงของความเห็นแล้วสิ่งต่างๆทั้งปวงในอดีตในอนาคตเธอทั้งหลายก็แก้ปัญหาไปในตัวเองนะเธอทั้งหลายก็จะไม่สงสัยรู้ว่าโลกจะเป็นอื่นนอกจากอันนี้ต่างๆต่างๆเนี้เธอจงเข้าใจทั้งนี้พอแล้ว เขแต่เมืองที่เขาทำมาครั้แล้วพุทโธก็สอนให้รู้ทุกข์ธรมโมก็สอนให้ทรงไม้ซึ่งรู้ทุกข์สังโฆเขาไปปฏิบัติให้รู้ทุกข์มึงมันจะพ้นจากทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์มันจะพ้นจากทุกข์ยังไงมันจะเบื่อหน่ายในประตูไหนมันก็ไม่มีความเบื่อหน่ายมันก็ยืนยันว่ามเป็นของเทียมเป็นศพเป็นตัวเป็นตนอยู่นั่นเองถ้ามันเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านยา้มันใช่ เป็นของไม่เท่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คูไม่ใช่ของคูไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ของอนมีแต่อนิยจังสังขังอริยกาเต็มโลกเต็มสงสามทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทีนี้สมาธิถ้าฟวงมันก็ไม่ติดอยู่มันผ่านสมาธิไปแล้วทลายสมาธิไปแล้วคุณจะตัสมาธิอันนี้ตะสมาธิมันไม่มีเครื่องหมายใช่ไหมครัพมันีจะทุกุหมายจะทุคับอริยจังังขังอรกาเท่านั้น อันนี้มิตรสมาธิไม่ติดอยู่ในนิมิตทั้งหลายแล้ว น, น, นี้ิฮิตาสมาธิมันว่างจากขจักบุคคลไปเช่นนี้มันมีแต่ทุกข์มันไม่ยืนยันว่าจะอยู่ตามความประสบของใครสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงก็คือโรคทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อโรคทั้งปวงไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เมื่อโรคทั้งปวงเป็นทุกขก์ก็คืออนัชานั่นเองคือไม่อยู่ในวงแหวนของสรรพูใร น, นั่นทิจรินี้เป็นอารมณ์เพราะขารมณ์มจะเข้าออก จะได้มาไม่มาเกิดแต่จะตายอีกนะครับตอนสงสารทุกจริงจรทุกจริงๆทุกจริงๆไปงในเย็นเขาตีกองไหมทุกจริงๆทุกจริงๆทุกจริงจริงเขาตีกองเขาทุกจริงๆทุกจริงๆขึ้นรถไฟมันกักกักกทุกจริงๆทุกจริงๆริงรถไฟสิเดี๋ยวนี้มันอยู่กางสภาพเข้ามันหาระหว่างไม่ได้ทุก้าระหว่างไม่ได้อันนี้จางหาระหว่างไม่ได้ สิ่งที่ม่ใช่ตัวตนก็หาระหล่าไม่ได้ไม่ลงาสามารแล้วก็ต้องรู้ตามเป็นจริงของมันไม่ใช่คือประ่ตงสิ่งนี้มันไม่เที่ยงแต่ให้มันเที่ยงมันไม่เที่ยงเน้อสิ่งนี้มันเป็นทุกข์แต่งให้มันเป็นสุขมันก็ไม่เป็นเน้อมีแต่แปลีปัญญาของเราให้รู้ตามเป็นจริงเท่านั้นเปลี่ยนสติปัญญาของเราให้รู้ตามเป็นจริงเท่านั้นถึงจะข้ามทะเลหลงไปได้ทะเลหลงมันก็ลงม่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยงาม ข้ามด้ว ย, รรยัญญาใช่ไหมแม้แคนาา ร, ร่างกายเป็นของเป็มปด้วยของม่สะาดมีระการต่างๆในคนร่างกามีพวกไวคนละเงื่อนกระดูกเป็นต้นมีหลังนอยู่หลารอบปคโรน่าละปการักษาสุจิหนเต็นด้วยความอัชามีระการต่างๆหลายนี่เลยอทินัชห น, นิงกายเยยมีอยู่ในกายเทซาคือผมโรมาคื อ, ค อ, ค อ, คอขนหน้าขาคเส็บดันดาคือฟันคือหัวชัตโชคือหนังสองคือนื้ อจีคือกระดูกทั้งหลายอจีเป็นยังเยื่อในกระดูกว่าต่างมาวัตยาวัตนักกำลังศัพท์เคลโรศับท่างความดูเลี่ยวต่างใจวัตถาศัพทางทางไส้อันน AH ักนต่างพลังสายรัดไส้หร no well? ือไส้น้อยก็เรื่างอาหารใหม่บริษัทอาหารเก่าพิจารณาดีเสียาน่าเฉลี่ยควบคู่น่เหนื่อยลงให้ต่างน่าดีกว่เสโทน่าเหมือมีโทน่ามันพ้นอชุนน่าตาวาสาน่ามันเหลวเคลโรน่ามาชิคานุกาน่านืด น, น, นักษาน้นักึกานายข้มุดตังทำได้เลยเอวาอมาอยังมีไฟาลยนัเกเตะนักทงทางคือกรุบทิศได้มันสองเต็มไปด้วยมีธาตดนินธาตน้าธาตุไฟธาดลมรวมกันเป็นกายจักว่ารูปเมื่อแตกออกไปก็แตกไปเป็นดิ น, ด, กกนดิ น, น ก, ก, ก็แตกไปเป็นดินน้ำก็ไปแตกแตกไปเป็นน้ำไฟก็แตกไปเป็นไฟลมก็ไปแตกไปเป็นลม ที่นี่เวทน า, าชัาาา้นยาชังนขาวชั้นงามความสวยอารมณ์ท่าไก็เกิดขึ้นอะไรแต่ควรเกิดสุขไรนั่นกันสุขอิงอามิต h สุขอิงอา m ิตรคืออิงนึกเสียงจิ่นรสผลสภาะธรรมาลมสุขอิงเมฆรรมะคือเบื่อหน่ายในวัฏจัสงสารมัตต์แปลว่าหมุนเวียนมันมุนเวียนทำไมมันก็หมุนเวียนไปตามรอบทุกข์ของมันเอง สิหล่านี้ถึงมันจะไม่รู้ตัวมันจะทุกข์ก็ตามไอ้ที่แท้ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นทุกข์ใบไม้ก่อนดีมันเกิดขึ้นมาเพื่อเจริญมาละลางไม่ได้เมื่อต้นยังไม่ตายมันก็งอกขึ้นผงผลและฟันของเราก็เหมือนกันผลก็ดีผลก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีก่อนงอมหมอกไม่ไม่อะไรกิรังยั่งยืนในวัดตาสงสารอย่นี้เมื่อเราเห็นทุกข์ สมัยน่ารองเลยถ้าอดีตถ้าอนาคตจังปัจจุบันเนี่ยปัญหาของเรามันไม่มีมากเนอะมันก็ไม่ทะเยอทะยานเนอนั่นมันหามาพอได้กินได้อยู่แล้วมันก็พาวนาตายทั้งมันไม่ทะเยอทะยานอะไรหรอกไม่เห็นว่าสินไหไม่เที่ยงอย่างนั้นจะทุกข์แล้วนี่กระทุกแม้ถ้าคนลากายก็ดีทัพย์ทงหลายตะเกียบตะกายแข่งดีแข่งดีกันพระอาหารหันต์ทางหลายแข่งออกจากโลก พวกเราแข่งเวรแข่งภัยกันอยู่ในโลกทศดาวันทศกัณฐ์มีนาคามีพลังขันแข่งกันออกไปจากโลกพวกเราท่านห้าแข่งกันอยู <re> ่ในโลกแข่งกันอยู่ในทุกข์ใครใจได้ใจถึงทางทุกข์ใจถึงก็ใจใจถึงในทางทุกข์พวกอยู่ในวตารกษามีทพระสดาวันทักัณฐ์มีนาคามีพลัใจถึงในทางที่จะออกจากกองทุกข์ด้วยพระปัญญาอันครับคนเราเมื่อประสบทุกข์กเคล็ดลาบในทุกข์ ไม่เามาสงสัยอีกคำว่ า, าชัดชาติเราเป็นทุกข์เลยเกิดเป็นเทวมุทเทวนาเป็นเอน็เป็นคมพยมะการจะกรกระดูกกระบาลน้นสีอะไรอะไรก็ตามมีนจะทุกข์ทั้งนั้นพานาเห็นนรกไหมเห็นหรือไมาเห็นมันก็มีมีกลางวันคืนสัพย์ทุกข์ทั้งปวงในโลกมันเป็นนรกในตัวนรกในมนุษย์โลกนรกในสวรรค์ น, นรกในเทวโลกนรกในผมารโลกเพราะมีเกิดเกิดเจ็บตายอยู่นรกในนรกจริงๆทรัพย์พิจารณ์ก็เป็นนรกอานหน่ง เป็ดอสุรกายก็เป็นนรกอันหนึ่งสัตว์นรกก็มีจริงที่อยู่ใต้ดินลงไปใต้เขาเตะโขดลงไปลึกหลายแสนโยชน์สัพพะโลกทั้งปวงมันทุกสังขารทั้งปวงมันทุกชาติทั้งปวงมันทุกสัพชาติทั้งปวงมันทุกสัพพะโลกทั้งปวงมันทุกสัพพสังขารทั้งปวงมันทุกมันเป้าหมายอันเดียวกันถ้าองค์หนึ่งพิจารณาทุกจะนำตาไหลนตไหล เที่ยวยาของเือก็ไม่ค่อยริ่ลนวํคำน้ำลาย้มันปีเต็มปีติความอินใจในธรรมะสูนทั้งหลายตรงมาดูโลกนี้รุษกาลมันรากชลที่พวกคนเขาหมากงกอยู่แต่ผู่รลู้หาขอห้องอยู่ไม่พระบรมศาลาเพื่้ใดจักระวังจิตเพื่อนจากคพ้นจากบวงแห่ ม, มารกิเลสมา มารคือเกิฉันทมานมาคือปันญธรรมแทวพุทตมาลมาคือเทวบุตรันมานามาคือปัญญธรรมเกิดมาคือเกิดอภิสังค์นาขานมาคืออภิชังขานเทวพุทตมานมาคือเทวบุตรมนะมานมาคือความตายความตายก็เป็นมานอันหนึ่งเทวพุทตมาแท่บุตรทไมจึงตกันมา ถ้าปฏิบัติโทอาจารย์พระวังเป็นเทรวดมันก็เป็นมามันไม่สามารถจะพ้นทุกในปัจจุันไาแต่ว่าเป็นปนิสัยเป็นอยู่ถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งอาีพทั้งอาาคตใงปัจจุบันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นนักมวยเอกแล้วกอดแน่นแล้วไหวติงไปมาไม่ได้เมื่อว่าโลกแล้วเพราะโลกจะเป็นดวง lor, ทุกข์ไม่ต้องใชไม่ต้องส่งเท้าจะเป็นอื่น จะมีโวหารปฏิพนันพูดด่ามไร้ไฟดับสักียงไรก็ตามเมื่อไม่เห็นทุกแล้วก็ใช้การไม่ได้เธอทั้งหลายยินดีในโลกทั้งปวงก็คือยินดีใ น, น, ในมถทุกๆทั้ ง, ทงปวงนั่นเองนั่นเธอทั้งหลายยินดีในโลกทั้งปวงก็คือยินดีในทุกๆทั้งปวงนั่นเองก็คือยินดีในสังขารทั้งปวงนั่นเองก็คือยินดีในโลกทั้งปวงนั่นเองนั่นก็คือยินดีในชาติทัทปวงนั่นเองข้าพเจ้าที่เปทุกขารถนั่นแหละพอแล้ว เราะตั้งใจเนาเรามาเกิดแก่กนตายเราเพวกเราเนอเพราะเรายรามาเกิดแก่กันตายาส้างสารอีกเลยเลือกได้ม่เกได้ปเดีก็ขอขมาโทษกับพุทรสมทุกันมีประมาณอนกันแล้วบรนทุกนวัตตาสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติเือกได้ไม่เกได้ปดีขอเป็นท่าเป็นทาแล้วพุทธธรรมสมอยู่ทุกงามันมีมา ขอให้พทธธรรมสงฆ์ขี่รถเกี่ยวรถเกี่ยวดั้มชนร่างกายคลายนมูกคลายน้ํมูกใส่ทุกงานทุกมันก็พ้นทุกนั้นวัดราษฎรสงสารโดยดือนในปัจจุบันในชาตินี้เลยมันขึ้นอยู่กับโมหารของเรามันขึ้นอยู่กับความเลื่อนใช้ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับบาลีความเลื่อนใช้ของเรามียังไงเราก็ทุ้มเทลงในจิตใจของเราในพระพุทธทธรรมสงฆจะถูกกับบาลีหรือไม่ถูกทำไมเป็นปัญหาไมหมฮะแต่ว่าบาลีเราบาลีเป็นภาษาอังกฤษ เนภาษาไทยเราก็ได้เหมือนกันจิตใจถึงว่าพุทธประธรรมประสงค์แผ่นด่นนาท่องแส่นสี่มุนยชศเขาเอาลูกระเบิดวา ร, รมานุทำลายแตกจิตใจถึงว่าพุทธประธรรมประสงค์แล้วมันจะใครทำลายแตกเลยแน่นหนาลึกไม่มีใครถอนออกได้แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมาถอนจิตใจบุคคลมาถึงพุทธประธรรมประสงค์แล้วให้คลายไปทางอื่นก็คลายไปไม่ได้ ก็ไม่ถอนเลยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงของรับรรมพระสวดาวันถึงว่าพระประธานประสงค์ไม่ถือศาสตราอื่นแล้วไม่ล่วงละเมิดชิ้นหน้าแล้วไม่ล่วงละเมิดอาวายัยมุกทุกประเภทนั่นรูมพระสวดาวันไม่ยอมถือศาสตราอื่นเลยนอกจากพระพุทธประธาประสงค์และไม่ยอมละเมิดชิ้นห้าเลยไม่เสียดายาการละเมิด เหมือนบ้วนน้ำลายทิ้งแล้วไม่ใช่ได้อยากเอาเครมาใส่ปากไม่ใช่ได้อยากจะคบเม็ดชั่วไม่ใช่ได้อยากจะค้าขายมนุษย์ค้าขายเครื่องประหารค้าขายค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวฆ่าเพเป็นอาหารค้าขายน้เมาค้าขายยาพิษไม่ใช่ได้อยากทำเลยพระศดาวันเครื่องดักสัตว์น้ำสับบกเพราะมันใช่ได้อยากจะทำพอเห็นว่าเป็นโทษต้นร้่น การละเมิดปานาธิบาก <_ d ance> รวเห็นว่าจะโทษรุนรวนการอาชีนาทานก็ <_ d ance> เห็นว่าจะโทษรุนรวนเห็นว่ามีผลของกรรมตามสนองอยู่เชื่อกำและผลของกรรมลงสนิทถอนไม่ออกเรียกว่าพระโสดาบันจะเป็นห้องขาวห้องดำไม่เป็นปัญหาถ้าได้พระโสดาบันอยู่ในอุ้งมืออุ้งมือจิตอุ้งมือใจอุ้งมือสติปัญญาของตอนเลยครับ พระักการะมีอาาสามีพระหันก็อยู่ในอุ้มืออุ้มือของสติอุ้งมือของปัญญาอุ้งมือของศรัทธาของความเชื่อที่นี่ถ้าทปัญหาที่พักไปฮะสองหน้าบ่าหน้าเนอน้องปู่ชีเทอร์ของพระพุทธรมประสงค์น้องตาชีเธอร์ของพระพุทธรมประสงค์น้องพ่อชีเทอร์ของพระพุทธธรรมประสงค์น้องพ่อแท้น้องพ่อพระพุทธธรรมประสงค์น้องตาแท้พระพุทธธรรมประสงค์ หลวงปู่ดแท้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลองั่วได้แท้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คิเธอคิเธอสองทาให้คนหนูถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกงานเนะให้ถึงจิตถึงใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนคนหนูเขาตั้เขาถามอยงนั้นบอกว่าอยู่ที่ใจเาอย่างนั้นเนอะอยู่ที่ใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจพอใจได้ฉันเป็นผู้นึกถึง อ, อใจดิฉันใจหนูเป็นผู้แระเลืกองถึงพุทธธรรมสงฆ์ก็อยู่ที่ใจนี่ไปพูดพูดจะก็ได้อะไรบ้างก็ถ า, ถามว่ได้พุทธธรรมสงฆ์พุทธสมเป็นตัวยังไงก็เป็นตัวอยูต่ตัวใจนั่นเองตอบก้ออย่างนั้นเนอเอิดมาเป็นมนุษย์มโดยชุดใช้สะอาดสามารถปฏิบัติพุทุธศาสนา เอาเป็นที่พึ่งพันนักของจิตของใจึจไม่เป็นไม้ลอยนะ้ำเธอทั้งหลายจงมีที่พึ่งที่เกาะที่พึ่งเธอทั้งหลายอย่าอยู่เหมือนไม้ลอยน้ำเน้อจงเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเน้อพระบรมศาล า, ษาให้ฝังแน่นลงที่จิตใจของพวเธอทั้งหลายสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงเนื้อท่านทั้งหลายจงรีบทำมาหากิจชีวิตในทางที่ก็รี่ปฏิบัติธรรม พุ่นไปจากกองทุกตังปวงอยู่ทุกงมาเน้อความบริกรมศาสตร์เวลาผู้ที่เรื่องนสายพพุทธศาสนาะไม่ใช่คนโงโง่ไม่ใช่ตาสีตาสาเป็คนที่สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วตัวนิดๆของมันกันดูสิตัวนิดเ น, นี่ยทางพุทธการ7จปีสังเกตพระหัต์ก็มีมันเป็นอย่างนี้นิสัยของเขาเขาได้ฝึกปืนมาแล้วในรัฐราชาแล้ว อาพุธธําสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ที่ดวงใจเอาหัวใจดวงใจของเราเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพาะธรสมพระสงอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาเมื่อลิกได้ไม่เได้ก็ดีการเข้าเข้าสูพา่พุทธพาพ้นจากทุกแม่วัตรทั้งสามโดยด่วนในปัจจุบันมาชาตินี้เถิดผู้สร้างมันมีจะข้ามาแล้วปัจจุบันนักจิตปจจุบันนักธรรมอันในที่ทุกข์ทนะครับปอกมือแล้วเศษข้าพเจ้าจึงจรูง้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงเลิพ้นตามเป็นจริง เนยแลกขาดเมื่อกระอกไม่แลกเศษเดืเอดตุกนาในประมาณนั้นเถิดข้งหลังทุกบามีแข่กากล้ามาเนี่ยเมืที่ยังอ่อนอยู่เขาบอกว่ามนุษย์สมบัติอันใดสวรรค์สมบัติอันใดข้าพระเจ้าต้องได้เสวยอยู่ทุกเมื่อทุกชาตทุกภพไปเถิดนี่เรียกว่าปฏิวัติมาชั้นกลางช่วงที่ปฏิวัติชั้นต่ำลงมา ก, กว่านั้นก็นยังมีอีกตามหลักาสนาและนิสัย ข, ของใครของมัน ที่นี่สิ่งที่ที่ควรเว้นเว้นให้ขาดคืออะไรอย่างี้ถ้ายังเหลืออยู่ก็ต้องเว้นทิ้งนั้นซะฟาดกข้ป่าฟาดออกจากจิตจากใจแล้วทำน้องปูเหมือนกันน้องปูเดี๋ยวนี้นรองปูมันโล่งหัวใจน้องปูต้องยุดสูบบริษณ์นะถ้าน้องปูไม่ยุดสูบบริษณ์น้องปูก็ไปไม่รอดไม่สามสี่ปีมาแล้วทำยังไงน้องปูจะยุดได้ คุหมอไัดวนแข่งมันจะยากทําไมไม่จับมาข้าปากใส่แล้วมันก็แล้วเราก็พูดอย่างนั้นเราก็ได้ยุบบุหรี่มาในสามสี่ปีนี้แต่ก่อนเราก็สูบบุหรี่หมดวันก็ซองเป็นอย่างต่ําแต่ถ้ามันมีเราก็สูบถ้ามันไม่มีเราก็ไม่คว่ำใจแล้ ว, วทุกวันนี้ก็มาเห็นอะไรชเฉยๆอยู่ไม่ได้ลึกเลยเห็นหเพื่อนบางท่านสูบเราก็ไม่รีสเสียเขาเฉยๆอยู่ อนวิทยาเขาข้าพเจ้าก็หยุดแล้วเธอพวกเธอทําไมถึงมาหยุดอย่างนี้เราก็ไม่ได้นึกอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็หยุดซะเลขคนอื่นจะเล่นมาตามโลกเขาพาเป็นโลกเขาหาเป็นด้วยโลกพาเป็นก็เป็นแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วเราไม่เป็นด้วยเข้าเมืองเขาเหาลียวตาเราก็ต้องเหลียวไม่มีประโยชน์เราจะเหลียวทาไมเราเป็นม้าหรือนั่น มือมากลากไปลากไปทางผิดก็ผิดลากไปทางถูกมันก็ถูกแต่รัฐบาลเขายังเล่นรัฐบาลเล่นเขาชิบหายเราก็ชิบหายเหมือนกันเพราะไม่ใช่เือนเขานะเพราะเงินของกลางเราเอากระเป๋าของเราไปเล่นนะรัฐบาลมันมาชิบหายด้วยถูกไหมนะ <c oughs> ทําไมมทุกประเทศที่งด